เรายังเป็นท่าตาบอดคนตาบอดเขาเอารูปมาโชว์เนี่ยก็ก็บรรยายรูปเราก็นึกฝันไอ้สิ่งที่เขาบรรยายมานะกับภาพที่เรานึกไว้กับภาพที่เขาโชว์เนี่ยไม่ตรงกันหรอกใช่ไหมแล้วก็นึกไปตามประสบการณ์ของเราประสบการณ์แล้วไม่มีก็นึกสิ่งที่ท่านบอกมาไม่ตรง นั้นเวลาท่านบรรยายถึงนิพพานเราก็นึกถึงเป็นเมืองเมืองหนึ่งนึกถึงพระอรหันต์แล้วก็นึกถึงเป็นคงจะเป็นเทวดามีวิมาณอยู่ในเมืองนิพพานอะไรประมาณนี้นก็ไม่ใช่แล้วจะต้องบรรยายยังไงบรรยายไม่ได้สิ่งที่ท่านสิ่งที่พระพุทธเจ้าบรรยายเรื่องพระนิพพานนะเป็นคําปฏิเสธทั้งหมดเลยไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้า ไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนี้ไอ้ที่เข้าใจกันะไม่ใช่ไม่ใช่ใชปฏิเสธหมดเลยไม่ใช่อัตตาไม่ใช่พบไหนทั้งสิ้นอย่างนี้นะเพราะประสบการณ์ของเราเนี่ยเกิดดับวนเวียนอยู่ในพบเราก็นึกอยู่แต่สิ่งที่เราเคยเจอเหมือนเต่ากับปลาคุยกันเต่าเคยขึ้นบนบกกลับมาปลาเป็นไง ม, กมักงบนบกบกเหรอลมเย็นดีลมเหรอเป็นยังไงเหมือนคลื่นไหม จะเป็นคลื่นได้ยังไงมันเป็นลมใช่ไมบนบกเป็นยังไงมันบกมันบกมีปลาดาวไหมมันจะมีปลาดาวได้ยังไงมั น, มน บ, บนบกมันบกมีฉลามไหมไม่ไม่มีได้ยังไงมันบนบกมันมีแต่ปฏิเสธบอกสิ่งที่อยู่บนบกที่ปลาไม่เคยเห็นปลาก็นึกไม่ออกเข้าใจไหมวิธีการคือพาปลาขึ้นไปบนบก ให้มันพัฒนาเป็นปาตีนไปก่อนในประมาณนี้เราคงไม่ต้องไปไต่เต้าจากปาตีนนะก็ทำตามที่พระผู้รู้ท่านบอกท่านบอกว่าเริ่มต้นให้รู้ตัวขึ้นมาก่อนศัตรูของของผู้ฝึกทั้งหลายก็คือ